<Book> แบ<ป>บยันนี่มิดีเวลาสามัยมขอโทษค่ะมันนิ่งเ่นดีกี่โมงแล้วคะสามเมรยันตัยอินดีขอบคุณมากค่ะ มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาบล็ินตลิดีมันเป็นเวลาสองนาฬิกาลิมันเป็นเวลาสามนาฬิกามูลินดีมันเป็นเวลาสี่นาฬิกา 4น <mumbles S 1> ้าลูกกูกี่นดีมันเป็นเวลาห้านาฬิกาไอ้กี่ิมันเป็นเวลาหกนาฬิกาุกีนดีมันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกายดกี่ิกดีมันเป็นเวลา แนาฬิกาเยนี่มีที่กัต์ยินดีมันเป็นเวลาเก้านาฬิกาตุม่มมทีลยินดีมันเป็นเวลาสิบนาฬิกายินมันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาั น, น, นลยินดีหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีลอซวุทหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีกกลมลวุท หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงว่กันโรจุลูีเรื่อนาลูกกุ๊ลุ่นตาย